ไปตัวยานปัญญานั้นในก้วงหวงนะครับในน้อย ส, สั้เนเรีลูเขาเรายาายาาียกวเรนปฐมมานารทุติยศาสตร์ตาิยศารจัตุคศาน์อันนี้เขาเรียกว่าศาสตรห้าต่อมาเขาเขาเรียกว่าศาสรสามเนื้ออะไรคือปฐมมาศา์ทุาาตยาาิยศาตรตาิยศารจัตุศาตร์านตรสี่อันนี้อันนี้เป็นศานสตราส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 ผมพูดนี่พูดเฉพาะในเรื่องของผมผมได้ศึกษาแล้วเรียนมาสั้นๆและได้ปฏิบัติมาผมมาทําอันนี้เนี่ยเลยเกิดความรู้ควมเป็นผมเขาเ็จะรูปน้ำมันเป็นรูปจริงๆเล้วว่าตาเห็นเป็นรูปรู่จากรูปเป็นน้ำนามคือนามนามแต่ะนามคุณน้ำอันนี้เรียนแล้วแต่ผมก็ไปว่านาฬิกาเนี่ยเนี่เป็นรูปเนี่ย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 ก็รวมเป็นคนก็ได้มาจากพอจากแม่พระบิดามาดาถ้าไม่มีพอไม่มีแม่ไม่มีมาดามาดาเราจะเกิดเป็นคนได้ทำไเกิดไตรลักษณ์มเป็นคนลูกเท่านี้ก็พออันนี้อาศัยว่าเราก็พูดกันแล้วบัดนี้ควมเป็นคนอยู่ได้เพราะเรื่องอะไรอันนี้เป็นปัญญาเนี่ยวิภาวิจารณ์มเป็นคนอยู่ได้ก็เพราะอาหาร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 หน้าที่ของคนบันทหน้าที่ของคนเรื่องของคนเอาแล้ววันนี้เนี่ยเป็นปัญญาที่้าววิจารณ์มุ่งมั่วเฉพออาะญาณปัญญามาดเพียงแค่นี้เองครับผมเคยพูดให้ฟังถ้าไปเลยไม่ได้ปภยพอได้จบเส้นทางปุบ๊บรีบขึ้นมาทางนี้แท้ฐานเคยได้ยินบ้างไหมผมพกกูดอย่างนี้ครับเนี่ย ที่มันมีตอมีหินมีอะไรอยู่ที่เนี่ยเราจะได้ขุดหลักขุดต่อนั่นเองอันนี้เขาปัญญาไม่ใช่ยานปัญญาแพ้วถางใหละเอียดเรียบร้อยไปอาศัยยานปัญญาเดินหน้าก่อนแน่จึงว่าปัญญาค่อยแท่งค่อยถางค่อยเตียนมาให้เรียบร้อยไปเรียบปัญญาดัางนั้นชื่อว่าการทำอันนี้เนี่ยมันให้เกิดความรู้ความเห็นามเข้ใจให้เกิดปัญญา มียานปัญญาขึ้นมาเป็นระดับระดับขึ้นมาที่ปฐมมาสานมีองค์ห้าเขาว่ย่าทุติยานมีองค์สามสัตยานมีองค์สองจตุทะยานมีองค์สองเขาว่าอย่างนี้วันนี้ตนปัญจมัานีองค์ห้าคือปฐมมานมีองค์ห้าทุติยานมีองค์สี่สัตยานมีองค์สาม <cussion>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 ปัญญาในจริงวาให้รู้จับเลือกคัดจัดหาออกมาใช้ให้มันเป็นในเป็นพอได้รู้อันนี้ตกเจ็นว่าผมจะอาบมาอาบน้ำมาแล้วก็มาเดินผมผมเคยพูดอย่างนี้ควมจริงเป็นเ ง, งนินหยางเดินไปข้างนั้นเลยกลับไปกลับมาเกิดมีความเห็นแจ้งรู้สิคัดัดจับค้อนปนงคมคิดมอนคิดขึ้นมาครั้งที่หน่ไม่รูครั้งที่สอง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 การทำบาปด้วยกายทำบาปด้วยวาจาทำบาปด้วยใจทำบาปด้วยกายถ้าหากงานลกมีนะไปตกนรกขุมไหนนานทีทีทีเดือนไม่เข้าใจอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างต่ำอยา่างทาบาปด้วยวาจาไปตกนรกขุมไหน ท, ทําบาปด้วยใจคิดเฉยๆสามอันนี้ทำอัคคีตัคีนั้นไม่นะได้สมความกันนะไปตกนรกขุณไหนนานทีทีทีเดือน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 ไปอยู่ที่พีีเยมันเหลวนะครับที่ผบพูดอย่ามมงนีจนกระเดียวเหมือนกับสาเลกทีเดียบมันเป็นวันนี้ทําบุญด้วยกายด้วยใจด้วยวาจาพร้อมกันทั้งสามอย่าง น, าานี้ตสี่ถ้าหากสวรรค์มีนิพพานมีไปอยู่สวรรค์นิพพานพีีเดียวันนี้จะเครื่อง่องไปที่เดียรเลงงานเรื่องนี้วันนี้เครื่องแค่ทางแค่ไปลเลย่องนี้เนี่ยนิทพานวาจนี้เป็นปัญญาเอางพอดีเหมือนกับฟีไฟฟ้าเด็ก เท่หมายเลยทีเดียเชือม่ตตรงนี้ตัป๊บเสือกมันย้อนกลับมาติดตรงนี้นั่นคือดึเข้าหาการไม่ถึงเลยอันนี้เป็นยาปันญาแต่ปัญญากรรมวิภาวิจันมังคาาเพาะเรื่องอะไรเนี่ยเนีไปติดตรงนุดเนี่ย่าไา่กลับขึ้นมาทางนี้ลื่มาอีกอันนี้เป็นปัญญาและก็ใหญ่ขึนมาต้นขานกลับมาเบิดขาแห่้าท้ายเปลี่ยนแับไปเทอทีนั้นกลับขึ้นมาแหวฐานเีี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 มาเจริญสติเจริญคนรู้สึกให้รู้จักขันต้นเนี่ยเรื่องของคนควมเป็นคนหน้าที่ของคนใหญ่ๆอันนี้เป็นญาณต่างตแต่เรารู้มานี้ยแต่เราไม่รู้จักเมื่อเรารู้จักอันแลเราจะได้รู้จักครพตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเราเนี่ยเป็นไหว้ครูเอาก็ได้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 คนอินเดียก็เรียกว่าคนคนคาเมนก็เรียกว่าคนคนยวนคนลาก็เรียกว่าคนให้ชีอว่าคนน่มีเหมือนกันหมดอันจิตใจสบายสต่บาชิตเมีอันจิตใจว่าวุ่นก็มีเหมือนกันหมดแต่ว่าพระพุทธเจ้าให้ศึกษามาก็ค้ายสัธรรมยสอนให้เราอะให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสยืนก็ให้มีสติรู้เดินก็ให้มีสติรู้